ทีท่านได้รถปืนออกมาจากบ่านันเรียมชาตามองหาตามสอง방ทางคสัตว์นี่มันมองตาคนพอตาโศ ก, กปั้บมันโดดพึงเลยถ้าตายแล้วไม่สศกยังไม่ไปนะม้าม้ามันไม่ไปลหม้าแอบยิ่งไปยิ่งมา ใ, ใกล้ๆเรามันพึ่งคน ที่นี่คนก็ต้องตาต้องเรวดเร็วปั๊บปับนี่ปั๊บข้างนี่ปั๊บข้างนี่เดือๆเดืดเเห็นกันเนื้ไกลเลยแล้เห็นเพราเตรียมมาแล้วนี่มันมีหมายถึงมันฉลาดมันเคยกินหมา คนไปดูไหนมันจะไปแล้วถ้าไม่มีหมาไปอยูออไม่มีหมากันก็ห น, นีไม่อยู่นานนะถ้ามีหมาเป็นแม่หม น, น, นี้มันจะหลายเนะี่ยนี่หมดแล้วมันจะหมดจริงๆไม่มีเหลือ คิดในสิ่งที่เราไม่คิดแสดงออกมาในสิ่งที่เราไม่แสดงนี่ที่มันทำให้เราคิดเรื่อยๆไปสุดท้ายมันก็ออกเป็นคำเป็นประโยคออกมาเป็นคาพูดออกมาอย่างนี้เนี่ยเรื่องก่อนนั้นสร้างนี่นี่เคยพูดเสมอทาไมจึงพูดด้วยความเห็นภยัยทำไมจริงไปเห็นขุนนี่ที่มันขาดกันอยู่ขาดกันอยู่อย่างนี้เอ๊ะถ้าคนอะ แบบฉบับมีอยู่ให้เห็นอยู่ตาตาอยู่นี่น่ะฟังสิไม่ใช่เอาปลอมๆมาพูดกันแบบปลอมๆฟังกันแบบปลอมๆ อ, อ่านกันแบบปลอมๆ อ, อ่านกันด้วยตัวจริงของจริงมีอยู่ตำหรับตำลานะั่นแ่ะคือองศ า, ศาสดาท่านก็พูดไว้แล้วเนรานลนร่วงไปแล้วก็คือทำไม่ไหนนี่ ที่เราแสดงว่าเนี่ยจะเป็นครูแทนเราจะถาคตรท่านบอกว่ามีอะไรผิดไงพระพุทธเจ้าท่านเป็นยังไงท่านชมเชยที่ตรงไหนการก่อการสร้างความเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายในเรื่องจิตตภาวนา แลสอนมาตั้งแต่เริ่มแรกจนกรงทั่งบรรพายิพานไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดเลยเพราะเป็นสุข า, ารธรรมคือตราบได้ชอบชอบแล้วจะไปแก้ไขอะไรอีกละ่ะก็เมื่อตัาไว้ชอบแล้วผู้ฟังน่าจะพิจิตรณาอันา น, านี้ที่ทำให้ผมอุกภาษาภาษาเขาเรียกอกมันจะตาย ม, มันคับหัว อ, อกภาษาอนี้เขาเรียกอก มันคับหัว อ, อกพูดอะไรก็พูดแล้วหมู่เพื่อนไม่มาสนใจจะยึดเอาไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกาจัดนิเล่ของตัวเองเพราะธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะเครื่องกาจัดทั้งนั้นทาให้คิดอยฐานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ตั้งแต่วันเริ่มแ้วออกสมประหนดจนกระทั่งวันปรินิพานเป็นสถานที่เช่นหลหนาเขียนไม่แล้วออกจากพระโอษของบราุทธเจ้าออกจากพระอากับกิริยาทุกอาการของศาสด า, า, า, าองคเอกที่ประกาศไว้ให้เราทั้งหลายได้ยึดเป็นคติตัวอย่างทั้งพุทธทางสนางกัจฉามิในหัวใจด้วยทั้งกิริยาการที่จะยึดเป็นข้อปฏิบัติด้วยนะั่น มีแต่องค์ศาสดาทา น, นแสดงออกมาถ้าอาการท้งอย่างเป็นแบบเป็นฉบับได้ทั้งสิน้นนมันเป็นยังไงพวกเรามันถึงไม่ได้สนใจว่าเป็นของสำคัญอะไรหรืทำไงพระองค์ประทับอยู่ในที่เช่นไรดูสิตำราว่าไงให้ไปเจยวหาอยู่ขอว่าปราสาทราชมังเกยลที่รููร้านหลาอย่างโลกที่เขาสงสมจิเดียดมารูจักตายไม่เสร็จหลักนั่นเหนือ แต่แบบนั่นเลยแเราไม่ทำไมเราไม่เข็ดในเรื่องทุกแล้วก็ให้ทำแบบลกูกกอลนเด็กถ้าเราเข็ดเรื่องทุกก็ให้ทำแบบศาสดาศา ส, สดาเป็นผู้เข็ดทุกเป็นผู้กลัวทุกเป็นผู้เข็ดหลาบที่สุดถึงพระไทยทําไมพวกเราจรึงดื้อด้านที่สุดจนถึงใจถึงใจฟังแด้ตั้งแต่วันเสด็จออกทรงพรนวด สถานที่ใดที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยความหรูหราเหมือนโลกทั้งหลายนะเราหาดูที่ในตำลานีไหมไม่แต่ในป่าในเขาในถ้ำเนื้อผาเนี่ยฟังนี่ อ, อยุย า, ากาแทนที่โลกเขาไม่ต้องการทั้งนั้นสถานที่เชนนั้นนั่นหละที่ ทั้รตท่านเดินยังไงแถวทางของธรรมท่านเดินยังไงคู่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นฆาสึิมันเป็นทุกข์ละมันตทุกข์อยู่ภายในใจให้ออกหมดท่านดําเนินยังไงกิเลสมันเดินสายไหนนะ่ะธรรมมาบริเจ้าเดินสายไหนหนะ่ะนั่นมันเป็นคู่แข่งกันอยู่ในธรรมมากับกิเลสนะ ประทับอยู่ในที่เช่นลายของศาสดานั่นแหละทำเดินสายนั่นเองเป็นยังไงพวกกิเลสพวกมันตายมารู้จักเข็ดจักหลับพร่อกองทุกทั้งหลายเหยียบย่ํำหัวใจที่ออกมาจากกิเลสมันสร้างขึ้นมานี่มันไม่มีจักรหลับมันเดินมันม่รู้จับเข็ดจักหลับมันมันเดินสายไหนน่ะารนนู้เราอย่างเดี๋ยวนี้นี่นีมันเดินสายไหนเดินสายอย่างพวกเราเราเดินอยู่เดีนเน๋ยวนี้ไม่รู้ จากเกิดจากหลาบมารูจากเป็นจากตายอย่างนี้เลยดูเอาดูตัวเองนั่นอย่าไปดูที่อื่นทำพวญเจ้ามันขัดกันอีู่ตลอดเวลากับพวกเราเดินเดี น, นีย้ยูมก็เลยกลายเป็นดึงหู่หล้าๆไปสมบหนเลยนี่แววของธรรมไม่มีแสดงออกมาให้เห็นบ้างเลยดู ที่ภาพที่อาศัยที่หลักที่นอนหมอนมุงมีแต่รูดูละลาไปสมหมดนะมินทบาทก็ดูเอาเหลือเปืองจ น, นล้นปากจากนั้นพอบายบายก็น้ําอะไรต่ออะไรอีกไม่รู้กี่ครั้ ง, ง, งกี่หนกินจนจะตายจนไม่มีสถานียับยั้งนั่นดูสินั่นแหละีเรียนมันมันเดินสายนั่นอ่ะดูเอา ใครเป็นผู้ดำเนินอย่างนี้จะเป็นใครแต่ไม่ใช่พวกเราเพราะฉะนั้นจึงให้ดูพวกเราให้ดูพวกเราสิจะดูที่ไหนมันไม่เจอดูพวกเราเนี่ยจะเจอผู้ที่ปฏิ ญ, ญาณตนในหัวใจนี้ว่าแก้กิเลสแก้กิเลสนี่แหละคือผู้สั่งสมกิเลสอยู่เวลานี้จะเป็นใครที่ไหนไป่นนะบินสบาดบินสบาดเครื่องอยู่เครื่องกินก น, นังง่นแหละ พวประเภทอาหารก็จัดเข้าในบินระบาดมาตินะก็แปลวปล่าแปลว่าก้อนข้าวปาตะก็คือตกไปความตกไปแห่งก้อนข้าวนั่นตินะเนี่ยบาทมันเป็นบาทดชนิดหนึ่งถ้าถ้าเป็นบาทนั้นในตัวหนังสือก็ต้องมีตัวรออยู่ท้ายจะเขียนเป็นรูปกาลันไม่กาลันไม่สําคัญปาตะเนี่ย ปแปลว่าใบเลยจะออกขยายไปก็เป็นระบาดนะบินบท้าบาดอันนี้มันอันหนึ่งตกไปปาตา น, นี่มันตกไปเหมอนะไรมึงนะโอ้แบบนี้สังว่านดอช่มเด็กนี่ไปเนาะบินเหนือยมึงเนาะหานนีจัดนะ และอาศัยวันหนึ่งวันหนึ่งพอให้ชีวิตเป็นไปเพื่อได้ประกอบความภาคเปลี่ยนอย่างสมใจพุณยังไงอืมยีวานเครื่องชายแม่สอแล่าโอ้อดอยากขาดการแกล้นในครั้งกุศกาดเป็นอย่างนั้นพระจัยสี่พระพุทธเจ้าพระดำเนินดำเนินยังไงก็ดูเอาสินั่นลหละองศาสดาพระดำเนิน ไอ้พวกเทวทัตมันดำเนินยังไงดูเอาดูเทวทัตดูตัวของเรานี่มันเนินยังไงมันเป็นคู่แข่ ง, ขงพระพุทธเจ้าตลอดเวลาลุขณะจิตที่มันคิดออกมาไม่ใช่เรื่องสังสมกิเลสนั่นอ่ะเทวทัตดูเอาต่อไปก็จะมีแต่ชื่ อ, อกรรมฐ า, านกรรมฐ า, าน ความจริงตัวจริงของกรรมฐานจะไม่มีเลยไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครเดี๋ยวแล่ไม่มีใครสนใจซึ่งว่าเจสาโรมานะคะอันตรายโจรมันก็ตกแต่งให้เป็นของสวยของงามไป้สาคัญมันหมายประทางสวยแตางงามเพื่อสั่งสมกิเลสไปไปเสียทั้งสิ้นนั่นอันพิจารณาสิมันเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่กรรมฐานมันเหลือไหมมันก็มีแต่ชื่ออย่างเงี้ยคือไม่สนใจปฏิบัตินี่ละ งานของพระพุทธเจ้าและสาวกอาลาัยต่างหลายพูดเลื่อนเลอให้โลกได้ ก, กราบบ่ายบูชามาคืองานประเภทนี้ท่านทําสําเร็จแล้วเป็นผู้เลิ่อนเลอขึ้นมาเดี๋ยวนี้ปลกปล่อยปลาละเลอไปหมดแล้วมาไงแม้ตัวของเราเองก็เหมือนกันเห็นอะไรปั๊มนี่มันจะต้องออกสวยออกงามเรื่องของกิเลสจะออกก่อนออกก่อนออกก่อ น, ออกกอนดูสิหัวใจคนหัวใจเรา ความสวยงามเพื่อทางเดินของกิเลสให้เบิกกว้างไปเนี่ยมันออกก่อนออกก่อนแล้วนะตากดีทั้งหูก็ดีฟังแล้วฟังภายในเพราะพริ้งไปเพื่อเบิกาทางให้กิเลสเดินเหยียบหัวเราไปนั่นเป็นยังไงทราบไหมอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยที่ว่ามีแต่ชื่อมีแต่ชื่อ ทฤษฎีสารทฤสารโฮมานคานศาสตร์สวยมีแต่ชื่อของกรรมฐานเฉชนแล้วม่ได้ทําหน้าที่แต่ตามที่ทรงสอนไว้ตาเหมือนกันดูแล้วให้เป็นอักเป็นธรรมเพื่อแก้กิเลสแล้วมันกลับไปดูเพื่อฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองฟังเพื่อฆ่าตัวเองสั ง, ง, สงหารตนเองเป็นลําดับลําดารอบด้านในสิ่งสมบัติสัมพันธ์ซึ่งเป็นเครื่องมือของใจ นันเป็นเครื่องมือของกิเลสมันออกทํางานทั้งมันรอบตัวนี้ไม่แต่สิ่งสังหารตัวเองทั้งนั้นถ้ามันมีธรรมเขาเ้าไปเป็นเครื่องกีดขวางกันแล้วไม่สงสัยว่างั้นเลยแล้วแต่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ฉลาดแหลมคมเกินพุทธศาสนาเกินศาสดาอถ้าลงได้ขัดทางกันหรือสวนทางกันกับพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างนั้นใครจะอวดว่าเก่งขนาดไห น, นก็เหมือนกิเลสมันอวดตัวมันนั่นแหละ ตาหตูตหมือร่างกายเครื่องมืออันนี้เป็นเครื่องมือได้สองอย่างผู้ฝึกธรรมะอันนี้เป็นเครื่องมือในการฝึกธรรมะเข้าสูนใจใครเผลออ๋อนะใครเซอร์อันนี้ก็กลับกลายเป็นเครื่องมือของที่เลสสังหารตัวเราเอง่ะถ้าถ้าจะว่าเราส่งเสริมตั้งใจเจตนาส่งเสริมจริงมันก็ไม่มีใครที่จะพูดได้ลงคอนะ ทั้งทั้งที่มันก็เป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละเป็นโดยหลักธรรมชาติเห็นปั๊บมันจะมันจะไปทางจิเลตทันทีทันทีทนีนี่เป็นหลักธรรมชาติของจิเลตที่รวดเร็วยิ่งกว่าธรรมต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปในขั้นที่มันรวดเร็วอืต่อเมื่อขั้นมันทันกันหรือแซงหน้ากันระหว่างธรรมกับจิเลตแซงกันนั่นที่นี่มันก็รู้หมดมันจะออกช่องไหน ทางใดทางใดอากับกิริยาใดนี่ก็เคยได้พูดให้หมู่ก้วนฟังแล้วไม่ได้เอาเรื่องเหล่านี้มาไม่ไม่ไม่ไมไมใช่เป็นเรื่องมาพูดหมู่กุ้นเพื่อความโหหกนีดนะเราพูดด้วยความสงสารเมตตาจริงๆถึงใจจริงๆเราเคยเป็นมาอย่างไงทําอย่างไงก็พูดออกมานี่เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าทำมาหนักสดสดร้อนๆเช่นเดียวกับขี้เลหที่มัน ส, สดสร้อนๆ อ, อยู่ภายในหัวใจเราเอามา ว่าจะลงองดดูสิมันจะเป็นยังไงกิเลสทั้งบุติการทําไมบันไหลอยู่ในหัวใจของคนเราเหมือนกันนับแต่พระเจ้าลงมาถึงภาษาวกนั่นถ้าพูดถึงผู้สิ้นกิเลสเหล่านี้เป็นภาชนะสำหรับบรรจุกิเลสทั้งนั้นแต่ทําไมมันบรรลัยได้ท่านเอามาใช่ ย, ยังไงแล้วเราทําไมมันมันยิ่งพอ่อขุูนไปพอกุูนไป นี่แให้พี่นาเอาสิเรื่องมันสดสุดร้อนเหมือนกั น, นทำก็สดสุดร้อนถ้านําเอามาใชา้นํามาใช้ก็สดสุดร้อนแก้ชี้เหลียดได้โดยไม่ต้องใส่เช่นเดียวกันเราพูดให้หมู่อนฟังไม่ใช่พูดถัวเพียงด้านปริยัติเรียนก็เรียนเราไม่ประมาท เรื่องปริยัติะมาธได้ยังไงไม่มีแม้มแม่หินแม่ทรายที่จะเป็นอยู่ภายในใจิตใจนี้ว่าเราได้ประมาธปริยัตแต่ในแง่ที่จะพูดปฏิบัติต้องพูดปริยัติแสงไปอยู่แล้วเพราะปริยัติเป็นอาจารย์มีว่างไงการปฏิบัติงานดําเนินงานไม่ดําเนินตาเมเข็มทิศทางเดินหรือแบบแปลนแผนผั ง, งจะดําเนินไปไหนสร้างบ้านสร้างเดือนไม่มีแบบแปลนผนผังำทําทําได้หรอือพิจนารณานั่นแหละปริยัติอ่ะไปก่อนอยู่แล้วไปก่อนอยู่แล้วนั่น เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นที่ต้องพูดอะไรทุกแง่ทุกมุมว่าปริญัติปริญัติปริญัติเพราะเป็นเสียทนชี้บอกตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าไมีมประยัติแล้วก้าวไม่ออกนะอืเจสารุมานะขาตนดาราตูเป็นอะไรทําไมใช่เป็นปริญาติสอนแนวนั้นนะฮนีนเอาไปคลี่คลายสิปฏิบัติขยับขยายออกมันเป็นยังไงยังไง ร, รูปลักษณะเป็นยังไงแล้วจนกลายไปถึงนิจังทุขังนาตารอบตัวไปหมดแล้วนั่นที่ดิวท่าปฏิบัติเอาออกจากปริยัติ ที่ขาดไปที่ขาดไปมันทำขั้นๆอย่างนั้นสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นเคยรู้เคยเห็นแล้วก็รู้ขึ้นมาดังที่พูดนี่ที่ว่าท่านท่านสอนนั้ว่าภาวะภาวนามยปัญญานั้นนนั่นลึกไหมละเอียดไหมภาวนามยปั ญ, ญญาเอาเอาเราจะไปคาดไดเฉยเอาคาดจนกระทั่งบันตายก็ไม่ไม่รู้ไม่เห็นละเรื่องภาวนามยปัญญานี่ ว่าเป็นยังไงถ้าผู้ไม่เป็นต้องผู้เป็นเท่านั้นจะทราบทันทีทันทีตั้งแต่เริ่มแรกของภาวนาเมยปัญญาเริ่มไหวตัวจะเริ่มทราบไปเรื่อยๆแบบนี้เป็นถึงขั้นคร่องตัวกลายเป็นมหาจีมหาปัญญาสังหารปนปีเป็นหมดขึ้นที่ว่ากิเลสแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยโทออกมาไม่ได้นั่นภาวนาเมญปัญญาโดยแท้นี่แหละเป็นเครื่องฆ่ากิเลส พระพุทธเจ้าก็ดีภาษาบอกก็ดีเมื่อถึงขั้นแก่นมันในจริงแล้วภาวนามยปัญญาคือแก่นแห่งเครื่องมือที่ค่ากิเลสนะดังนั้นถ้าดาเนินไปมันมันยังไม่ถึงขั้นนี้มันก็ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่เรียนจนปากฉีก่ก็ได้แต่ชื่อเฉยๆไม่ได้ความจริงมาสูงหัวใจเลยแหละแต่เมื่อมันถึงขั้นที่เข้าสู่ความจริงโดยหลักธรรมชาติของภาวนามยปัญญาแล้วไม่ต้องไม่ต้องถามใครก็รู้เอง นี่แหลผู้ที่เจ้า็ดีสาวกขดีท่านวิเศษด้วยปัญญาประเภทนี้ทีนี้มมีเท่านั้นเละท่านก็แยกออกไปให้เห็นอีกสึ่งตามมยปัญญาควรได้ปัญญาควรจะเกิดขึ้นจาก ก, ก, า ก, าการได้ยินได้ฟังก็ให้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์จากใครก็ตามให้เป็นคติเครื่องเตือนใจเก็บเล็กผสมน้อยปลายนั กินตามมัญญปัญญากินตามมัญญะปัญญาความพิจารณาไข่ขรวนเมื่อสัมผัสสัมพันธ์อะอย่าหยุดเฉยให้พึ่งพาสติปัญญาในทางด้านกินตามมัญญะปัญญาแล้วสุดท้ายก็จะไหลเข้าไปหาภาวนามัญะปัญญาไม่ต้องสงสัยไปนั่นแน่เนี่ยเขาลงไปขั้นภาวนามัญะปัญญานี่แล้วยังไงกิเลสนี่มันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกยิ่งกว่าแผ่นดินก็ให้มันหนาเถอนหนาว่างั้นเลยนะฟังสิว่าให้มันหนาเถอนหนาฟังสิ อพอเหมือนอย่างความมืดที่มันมืดมากี่กับกี่กันก็ให้มันมืดทนานว่างั้นเลยพอเปิดไฟจ้าก้นเท่านั้นมันจะหายเงียบไปทันทีทันใดนั่นมันเอาการเอาเวลามาอวดอ้างกันได้เมื่อไหร่เมื่อเหตุผลมันเหนือกันอยู่แล้วที่ควรจะกําจัดกันได้แล้วทํำไมมันจะกําจัดไม่ได้ล่ะนี่ก็เหมือนกันเรื่องของกิเลสอ่ะมันหนาขนาดไหนก็หนาขึ้นอ่ะเมื่อมันถึงขั้นถึงภูมิที่จะกําจัดกันได้แล้วกี่กับกี่กันอย่าเอามาอวดเลย ว่าเคยอยู่ในหัวใจมาทีท่านั้นกลับท่านี้กันจะไม่ยอมลงนี่พังทันทีเดียวเหมือนกับเราเปิดไฟที่สว่างจ้าขึ้นมาความมืดพังทันทีเลยนั่นเหมือนกันนี่แหละไม่ผิดกันอะไรแต่ว่าผิดคาดผิดหมายหน้า่าทำมาพู้ดีเจ้าเนี่ยใครจะไปคาดไปหมายคาดไม่ได้นะเออผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบตัวเองทุกอย่างทุกอย่างไปเลยเพราะเพราะฉะนั้นจริงแบบปริยัติปฏิบัตินั่น แน่นก็ตรงนี้ปริยัตชี้ทางไว้บอกทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่สงสัยแล้วไม่ผิดแล้วออกมาจากสวดคาราทัมการมไว้ชอบแล้วกับแล้วเอากลอาไปก้าเดินนี่นะอย่าให้ผิดนะนั่นกล้าเดินตามนี้พอกล้าเดินตามนี้แล้วสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นซึ่งเคยได้ยินแต่ในตำหนักตำลาได้ยินแต่ครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนไว้นะเราจะมาเจอกันที่หัวใจนี่แหละเพราะสถานที่นี่เป็นที่ชุมนมุม แห่งกิเลสและธรรมทั้งหลายไม่อยู่ในสถานที่อื่นอยู่ในในหัวใจเนี่ยเป็นสถานที่ชุมนุมอันใหญ่หลวงวัฏจักรวัฏจิตรวมอยู่นี่หมดเคยเกิดเคยตายมากี่กับกี่การนับไม่ถ้วนเราจะไม่ต้องเป็นนับให้เสียไปนัเวลาเลยพังกันลงที่นี่อันเดียวเทานั้นเสร็จนั่นตั้งเด็ถ้าลงเป็นภาคปฏิบัติได้รู้ได้เห็นได้สังหารกิเลสและเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นมันผิดการหนึงว่าภาพความจําภาพความจริงยังได้พูดเสมอเนี่ย ถ้าความจําเอามาเป็นพื้นคือปริยัตินั่นน่ะเรียนมาแล้วอย่าเรียนมาอมปากไว้เฉยมาอวดลมบวดแรงอย่างนี้เฉยว่าข้าเรียนรู้เท่านั้นเท่านีชนนน้ชั้นนั้นชั้นนี้อย่าเอามาลิอวดกันให้เฉยอย่างนั้นไม่ถูกให้เอามาเป็นแบบเป็นฉบับเครื่องดาเนินนั่นถูกต้องร้อยเปอ็นได้เ็นสมกับสวดคาถาทำแทร์ถ้าได้ชอบแล้วก้าวเติร์ก้าวตามนี้เถอะมา่นพอก้าวตามนี้แล้วผลจะปรากฏขึ้นมาทีนี้ก็รวมตัวเข้ามาอย่างที่ว่าน่ะ อวัตจิกพระเจาจักรมันจะหนานแน่นเท่าลายภูเขาทั้งลูกหรือแผ่นดินทั้งแผ่นก็ให้มันหนาเท่านั้ที่ชุมนุม ก, กันมันจะรูกกันหมดนั่นละ่ะคิดว่ามันจะเห่านะตามเหตุตามผลที่มันมาสัมผัสสัมพันธ์เรื่องของสัตว์ของอะไรอะไก็ตามเถอะมันเข้าสู่ดวงวิญญาณวิญญาณวิญญาณเข้าสู่ดวงวิญญาณก็มาจากไหนอีกล่ะนั่ น, น, น, น <c oughs> ก็ไม่มีใครรู้ รูแบบของพระพุทธเจ้าแบบนี้จึงเป็นแบบที่เอกที่สุดเลยมันไม่มีที่ค้านเลยแบบที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แบบที่พระพุทธเจ้าทรงละแบบที่พระพุทธเจ้าแบบทรงสังหารวิเดที่เป็นข่าสึกที่เป็นตัวพาให้เกิดให้ตายสร้างทุกข์ขึ้นมาลังมากในภพชาตินั้น ไม่มีแบบไหนเหมือนแบบของพุทธเจ้านะศา ส, สนา เ, เราไม่ได้ประมาทนะมันมีกี่หมือนกี่แสนกี่ล้านศาสนาก็ตามไปถ้าศาสนาใดไม่มีอริยสัจแล้วศาสนานั้นไม่มีเครื่องข่ากิเลสว่างั้นเลยสติปัฏฐานสี่อริยสัจสี่นี่คือเครื่องสังหารกิเลสโดยตรงไม่บอกก็คูบ ผู้ค่าเสียดด้วยเครื่องอนี้ก็รู้เองพระเจาโนกริจ้าจึงไม่จำเป็นว่าพระพุทธท่านนี้พ่านไปนานไม่นานเท่าไหร่สัชจะทำเป็นการเป็นเวลาที่ไหนดูตัวของเหล่านี้วางั้นเลยเปิดขึ้นมาที่นี่ซึ้งมากจริงอริยสัพพะเปิดขึ้นมาที่นี่แล้วก็ เท่ากับเปิดประพุทธให้เห็นความจริงของพระเจ้าทั้งหลายและภาษาวกตลอดถึงธรรมที่ท่านรู้ท่นอห็นเปิดขึ้นมาในขณะเดียวกันให้ดูให้เห็นอย่างเดียวกันหมดเป็ น, เ, ปนเรื่องความกว้างความแคบลึกซึ้งยาวเหยียบมันเป็นประเภทอันหนึ่งแต่ว่าฐานอันสําคัญสำคัญส ำ, ำ, ำ, ำคัญได้มาเหมือนกันหมดเลยจากอริยสัจหนั่งลงตรงนี้อีกแล้วฐานสําคัญสาคัญคืออริยสัจได้มาเหมือนกันหมด มันไม่ทันมันเลยเวลามันรวดเร็วมันมันเป็นกิเลสไปหมดเลยนะเราไม่ทันมันเลยมันต้องเลยใช้อุบายโอ้สายสันสายคมแต้มันไม่ทันอะไรอะไรไหน ไหนดูอย่างตะก่อนก่อนมันก็หายากซะด้วยทุกวันมันมีสถานที่เป็นเครื่องส่งเสริมเป็นเครื่องกดถ่วงได้โดยไม่ต้องสงใสัยพระอาจารย์ธรรมึงสอนเรงสถานที่เข้าเป็นความจําเป็นด้วยกันสถ mm hmm. านที่โน่นโน่นไปอยู่ที่โน่นโน่นไปเพืนบอก เป็นในถ้ำเนี่ยบอกแล้วลูกขมูลเนี่ยบอกแล้ว ม, มันมันนีอินที่จะช่วยอันนี้มันทํำมีแต่ถ้ ำ, ถำเฉยไม่เป็นที่สนุกสนานดื่นเดินของพวกนิเศษทั้งหลายซะด้วยนะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้น ทำเลไหนที่เราเหมาะสมสำหรับการลังเพ่นมันก็เป็นที่เหมาะสมสำหรับพวกนี้ไปเที่ยวรื่นเริงกันอีกแด็นี่ยป็น่นั้นเอเวลาไปอยู่ในในที่ที่จะประมาทไม่ได้มันมีนี่นะนั่นเนี่ยเวลาทำมีโอกาสที่จะเกิดได้ เกิดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเกิดได้เต็มโอกาสพูดง่ายง่ายคือในสถานที่เช่นนั้นเราไปนอนใจได้อย่างไรในป่านี้มันไม่มีอะไรมันมีแต่เรากับสิ่งที่เป็นค้าสิกต่อกันรอบด้านอย่างนี้มันจะไปมัวประมาทอยู่ได้อย่างไรนั่นมันเห็นได้ชัดอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นนี่แหละสถานที่เช่นนี้แหละมันช่วยนะแล้วใครจะไป ตั้งโรงงานราคาตันหาขึ้นมาในที่เช่นนั้นนะมันจะตายอยู่เลยขณะใ ด, ดก็ไม่รู้ตายด้วยเหตุผลรางกายอะไรมันไม่ต้องถามมันก็บอกมันก็รู้ในตัวของเราอยูนน่นั่นนะความเพียรมันก็มีอลีอันนี้ตัาทางเมืองการมีพอเป็นไปได้นะผมดูไปดูแล้วเหมาะมีเป็นทางจันทร์มี นี่ยังจะไปอีกอยู่เวลาว่างๆจะไปเที่ยวซอกแซกดูทางอะไรเข้าไปทางกระถิ่งเขาก็แจกจะยิงเขาเล่าให้ฟังหลายแห่งอยู่เดจะเข้าไปดูแล้วไปจะเตือนหมู่เพื่อนแนะหมู่เพื่อ น, น้อาอว้สรงวนไว้สําหรับคุลบุตรสุดท้ายไปหลังจะได้พอเห็นร่องรอยบ้างไม่งั้นจะไม่มีเหลือเลยสมบัติอันล้ําค่าสถานที่อันล้ําค่าอย่างนั้นทสำหรับรวมเป็นธรรมจะไม่มีเหลือเลย มันมีแต่กิเลสที่เทีเ่ยงคืนหมดกึนหมดเลยไม่มีเหลือเลยนี่ยเองมันหนักทุเลศ น, นะเนี่ยสถานตีล้าขาดังที่พู oui ดอางนี้ดูว่มันไม่มีคุณค่าในหลักตัวของเรารตัวงเราเมื่อไม่มีคุณค่าบาดตัวงเรามีขนาดใดที่เราว่าไม่มีคุณค่าตัวงเราขนาดนั้นกิเลสมันก็ไม่มีคุณค่าเหมือนกันขนาดใดที่เราว่าเรามีคุณค่านั้นแหะตัวกิเลสมัน คุณค้างมันใหญ่โตเยียบหัวเราลงตรงนั้นเลยยิย่งต้องนะหาที่เช่นนั้นเหมือนผ้าทิลิ้วคนทั้งคนไม่มีคุณค่านั้นแหละเวลามีคุณค่าขึ้นมามีเวลานั้นแหละไม่ลืมตัวนี่ที่ไปอยู่ฟังแห่งเหมือนกับอะไรเหมือนกับมันจะโผล่ขึ้นมาเสือเน่ะ <laughs> มันทางขึ้นมาจะแทะทางมันขึ้นมานี่ เหมือนกับมันตะโผขึ้นมาตรงนี้ยแน่แน่ๆเนี่พระกลาวว่ามันเคยนย่างเรามาอยู่มันขึ้นมันลงอยู่ทั้งกับตั้งกันตัวนี้ตายตัวนั้นมาแล้วก็บสับเปลี่ยนกันเรื่อยตายเทกันเรื่อยแล้วจนทางมันขึ้นลงมันจนกระทั่งเป็นเป็นเหวนะมันขึ้นมันลงนะมันนานแสนนานขนาดนั้นไม่ใช่ตัวดีโยนะนั่นมันผัดมันเปลี่ยนกันมาตั้งแต่นานแค่ไห่ ภูเขาลูกนี้มีมานานเท่าไหร่นั่นแล้วสัตว์เหล่านี้มันอาศัยมาได้นานเท่าไหร่นั่นละมันก็เป็นไปอย่างนั้นไงน่ะเป็นนั่นมันก็เหมาะแล้วใครจะไปต่งสมเกเรล่ะเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วตรงี้จะความตั้งท่าตั้งทางเป็นกับตายก็มอบไว้กับธรรม่ะหมุนทีปิ้วเขาสติเข้าถึงนั้นปัญญาเข้าสึ่นั่นไง ก็เ ย, ย็นต่อไปยังบอก้ะไรระวังนะะวังนะยุ่งกับพ่นกบกรู่ก็้าพนกูซึ่งเยพูดกันไปยางั้นแล้ววันเลยไมนดีเยะเล่นกับหมาจนได้ล ในขั้งบุตการนั้นพระขั้นมีแสดงไว้ว่าที่เสือกินพระก็มีในตํำรับตำามแต่มีน้อยมากนะทั้งก็อธิบายว่าไปเกี่ยวกับเรื่องกรรมเสียเสือตัวนั้นกับพระองค์นั้นมีกรรมอะไรกันนั่นทั้งก็แสดงเรื่องกรรมไว้อีกเ่เสียเราก็หายสงสัยเหมือนว่าถ้ากรรมไม่เกี่ยวกันกรรมน็มันก็จะมากินอะไรสัตว์เต็มแผ่นดินอยู่นี่หนะักไหน มันทำให้คิดเลี่ยงๆไปอย่างนั้นเสียแต่ถ้าคิดลงถึงขั้นที่ว่าจะเป็นจะตายก็ ก, ก, ก็ตายเถอะตายก็เสือกินด้วยความเพียรนี่ให้เห็นได้ทีเลยหนะักชีวิตของโลกนี้มีมากมายไม่เห็นเป็นอย่างนี้วะเนี่ยมันจะพลิกมาอย่างนี้ให้มันพลิกมามันเป็นอุบายของธรรมนี่นะมันเป็นได้แก้กันได้หเรื่องของสติปัญญา เ ป, เป็นเป็นแม่ล้าสมัยละเมื่อถึงขั้นถึงการเวลาที่มันจะดิดจะดิ่นตัวเองแล้วมันเป็นไปไ ด, ด้นี่ยอย่างที่ว่านึ่งมันจะว่าใครเป็นคนสอนจริงๆแล้วมันก็เราไม่ประมาทครูบาอาจารย์นะอันนี้ก็เพราะอํานาจของสติปัญญาที่เราฝึก ข, ขัดตัวเองมันแสดงขึ้นมาให้เราได้ดูได้เห็นอย่างที่ว่าไ อ, ไอภาวนา ไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยให้มีแต่พูดธโธพุทธโอกับความรู้ให้ยันกันอยู่นี้เนะท่านั้นเป็นกับตาเสืออะไรช้างอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้มีงแต่คาบริกรรมกับความรู้เด่นนี้เท่านั้นเนี่ยแล้วมันก็เป็นขึ้นมาจริงๆด้วยเกิดความเต็มถึงขนาดที่ว่ากล้าหานเต็มที่ทั้งๆ ท, ที่ขนาก่อนมันกลัวเต็มที่แล้วขณะหลังนี้กล้าหานเต็มที่เนี่ย มันเห็นผลชัดเจนนี่ก็จะว่าใครบอกมันก็ลำพูดลําบากนะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนแล้วเขาน่าให้จิตรวมกันนั่นสิขั้นก็บอกกลางๆว่าอย่างนี้เดียวเวลามันเป็นๆนึงคือในเจ้าของมันเห็นเฉพาะนี่น่ะดูเฉพาะอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้แน่ถึงขั้นที่จิตเป็นสมาธิแล้วมันก็หมุนจิ้ๆอยู่กับสมาธิความสงบใจสงบตัวเองนั่นเสียมันก็ไม่ไม่ไปยุ่งกับเรื่องภายนอกอีกแหละเน่นี่ก็เห็นชัดๆในวงผู้ปฏิบัติ เอาหาให้มหินในวงของตัวเราทิ่นั่นก็คือมั น, เ ป, น, นเป็นขั้นเป็นขั้นของจิตขั้นของจิตกับที่เราจะพิจารณาถึงภายนอก ม, ม, มันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่เชื่อนจิตที่ก้าวเข้าสู่ขั้นที่ปัานาเขาอย่าง่คยพูดนะแยกหมดเลยน่ะแยกธาตุแยกขันธ์ อันนีจังทุกขงังอน้าตาดูมันห ม, มึกอะไรลืมไปทิศทางไปที่ว่าสัตว์เป็นเออเป็นสัตว์ไรหรือสัตว์นั้นเป็นสัตว์ล่านี่เป็นสตรรันสตว์ไรอะไรนี้มันได้ลืมไปหมดไ้เรื่องสัตว์ไ ร, รสัตว์ดีอะไระมันมีเลยอนนี้จังทุกขงังหน้าตาไอหัอใจเราผู้พิจารณาเนี่เยเไปอย่างนั้นอีกแล้ก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาครัวอีเนีน่ยเป็นอะ น, นี่แหละข้อนั้นแล้วมันก็หมด นี่คือความว่างเปล่าไปหมดเนี่ยมาถึงขั้นว่างมันก็ว่างมันเองปรุงขึ้นมาอะไรก็ปรุงขึ้นมาที่แทบเดียวก็เหมือนฟ้าแลบพอเป็นเป็นล่างขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพขึ้นมาภาพดับพร้อมดับพร้อมให้อยู่มันอยู่ไม่ได้หรือว่าไงมันรวดเร็วของความปรุงของความและความจานานปรุงภาพขึ้นมาเช่นภาพเสือนี่นะปรุงภาพขึ้นมามันมันก็รู้ใชทั้งภาพเสือที่มันออกไปจากหัวใจเราเนี่ยแล้วมันรู้ทั้งมันดับ มันมีที่ไหนมันต้องมีติใจกับภาพบางท่านแสดงอยู่นี่มันตื่นบ้าอะไรแน่ว่าเจ้าของเขามันเห็นชัดเจนจนถึงขนาดที่ว่าเจ้าของได้มันถึงว่าคนเราแต่ก่อนมันไม่เห็นอย่างนี้มันก็ไม่รู้ไม่ทราบมาจากไหนยพอคิดเรื่องอะไรก็เป็นภาพนั้นขึ้นมาเหมือนกับมาจากห้าทวีปหนความจริงมันออกไปจากใจนี่เนี่ยที่เวลามันทันมันทันอย่างนี้จริงจริงเนี่ยมันพันมันออกป้าป้าป้าไปก็ไปเห็นมันอยู่นี่เวลาดับมันก็ดับไปให้เห็นอยู่นี่ ทั้งต้นทั้งต้นทั้งตายทั้งขึ้นทั้งหลงังมันเห็นของมันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะหลงไปไหนล่ะอเนี่ยถึงขั้นมันมันรู้เนี่ยก็เป็นขั้นหนึ่งเสียวขั้นหนึ่งการพิจารณามันก็เป็นขั้นสังขารลงสังขารตื่นสังขารตื่ น, นภาพเจ้า ข, ของเนี่ยเมื่อมันรอบแล้วเนีไยมันก็ไม่ตื่นฮนก็ห้ามเหมือนแสงห้อยแทบแทแทบแท บ, แบมันก็ออกอย่างนี้แล้วดับไปก็เห็นอยู่นี่เนี่ย ขั้นต้งขนาดแล้วมันก็จะสงสัยอะไรนี่แหละการพิจารณามันเป็นขั้นหนึ่งขั้นอย่างนะี้นะขั้นเริ่มต้นมันมักจะเป็นอย่างที่ว่ามีแต่คาบริกรรมไม่ยอมให้มันออกไปไหนเลยเสือก็ตามท้างก็ตามเป็นก็ตามตายก็ตามถือไม่ให้เพื่อนจับคาบริกรรมนช่นกุธโธกุโธนี่นะรู้อย่างนี้เท่านั้นเมื่อเวลา สั่งสมตัวเข้าสั่งสมตัวเข้าด้วยคําบริกรรมถียิบถียิบไปมันเดินเป็นพลังขึ้นมาจิตค่อย แ, แน่นขึ้นแน่นขึน้นแน่นปั่เลยเนี่ยคิดออกไปถึงเสือก็ไม่กลัวแน่แต่ก่อนไม่ได้นะคิดออกไปภาพหนูอู้เหมือนกับว่าผ่าลงทั้งครึ่งผ่าหมดทั้งตัวเลยมันอาการมันหนักขนาดนั้นนะมันเป็นพลิดมากความคิดเช่นนั้นพูดง่ายๆว่า ง, างมันทําลายีจิตพวงเราให้หาความสงบไม่ได้เลยนั่น เรียกว่ามันรุนแรงมากแต่ขนาดหลังนี้มันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอมันสั่งสมตัวของมันเต็มที่แล้วที่เรื่อบเรื่องไหนอ้าเธอว่างั้นหลยมันไม่ได้กลัวนนั่นมันสั่งสมกาลังมันได้พอแล้วนี่เนี่ยก็ขั้นหนึ่งเนี่ยขั้นไปสมาธิขั้นไปวิปัสสนาขั้นไปวิปัสสนาละเอียดจนกทั่งคั้นบ้างเปล่าเขามีแต่ความปรุงของเจ้าของหลอกเจ้าของเท่าันหลงสังขารก็ไม่ผิดอะไรอย่าพ่อแม่ครูย์นว่าหลงสังขารว่าหลงสังขารเห็นว่าโอ้ยมันถูกเ ของคนค น, คนหนึ่งรู้ไปหมดแล้วคนหนึ่งยังไม่รู้ยังตัะคุบเงาอยู่ยังมาอวดว่าตัวเก่งอยู่เนี่บ้าเอานี่ความถั่วมันหลงสังขารหลงสังขารบ้าหลงสังขารเห็นปะไปถึงขั้นมันรอบแล้วจะหายมาหลงไงมันจะมันก็จะเอาอะไรมาหลงเพรามันรอบแล้วมันรู้แล้วเอะไรมาหลง เหมือนอย่างนี้เนี่ยหรือมันลายเหมือนเสือก็ตามที่มันไอ้ปั้งเนี่ยนี่ันไม่ใช่เสือมันเห็นอยู่เนี่ยใครจะไปหลงอะไรอีกถ้ามันเห็นอย่างที่ว่ามันไม่แน่เหมือนมูปลาอย่างงั้นมันก็อาจจะว่าเสือได้พอเห็นชัดๆโอ้ไอ้ปั้งเท่านั้นพอเนี่ยพอดูชัดๆโอไอ้ปั้งไม่ใช่เสือที่จะเอาอะไรมาหลอกมันก็ไอ้ปั้งไงนี่ก็เหมือนการภาพมันแสดงมาหลายๆมันแสดงมาเมื่อม anyway. like e ัน มันละเอียดเรามันทันกันแล้วมันก็เหมือนอย่างเราดูยปังเองสั้งขามันปุมแพ้มาดับพร้อมดับพร้อมบอกอ้ที่ไหนมันอันนี้เองเป็นคนเป็นธรรมชาติหลอกเจราเองเมื่อรู้นี้แล้วไม่เห็นมีอะไรหลอกในโลกทั้งสามเดือนท่างชาตไม่มีอะไรหลอกถ้าไม่ใช่สังขานจะของหลอกจะของเสี่ยงเดียวเท่านั้นนานพอมันถึงขั้นมันรู้มันเป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาอะไรมาหลอกอีกอ่ะมันชิขนานแล้ว ตร่างไม่มีอะไรหลอกแล้วมันก็สบายเอาพนาักงานน ะ, อะอพนอแล้วเทปพนักงานนะอนเดีย